คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครุค่ะเราก็มาพบกันในเช้าตรูว่วันนี้อีกวันหนึ่งกับรายการสมรสึกนิสนทนาซึ่งดิฉันสนิย่าพงดําเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวขาว f อฟเนะคะและรายการนี้ก็คาดหวังที่จะให้ท่านได้ประโยชน์จากการเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เนื้อสิ่งอื่นใดท่านไม่ต้องไปไหนท่านก็สามารถปฏิบัติทาได้ จริงๆแล้วท่านปฏิบัติลําพังก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านตื่นเช้ามาแล้วเริ่มต้นรายการพร้อมกับเราก็จะได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลอย่างยิ่งคือการปฏิบัติทำตามคําสอนพระศ า, าสดากันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของรายการและฟังตลอดจนจบท่านก็จะได้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของท่านตลอดจนนอกเหนือจากนั้นก็จะทําให้มีโอกาสก้าวหน้า ในธรรมะทาให้ความทุกข์ของเรามีลดน้อยลงไปตามลําดับนะคะเราไปพบกับพระพิ บ, บุตรอภิปุณโญจาวัตปาดรณหายโสอุดรธา น, นีกันในตอนนี้ค่ะกราวนพิธการค่ะท่านคะเชิญพานในการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมนะอย่างเป็นรูปแบบจริงๆแล้วงานที่เราจะต้องตั้งสติเอาไว้ในตลอดทั้งวันไม่ว่าในขณะที่ทํางานก็ตามตื่นก็ตามหรือแม้แต่หลับก็ตามอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทํา ในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั้นก็ให้เราตั้งสติเอาไว้นะโดยใช้เครื่องมือคือลมหายใจโดยที่พระเจ้าปรองเองก่อนที่จะตรัสรูนะ้ก็ได้ใช้วิธีการนี้คือการตั้งสติเอาไวนะ้คือการที่ให้จิตของเรานั้นมารับรู้อยู่ในที่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งนะของทางที่ลมหายใจมันผ่านเข้า่านออกอยู่นะในขณะที่เราหายใจอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้เรารับรู้ ถึงสัมผัสของลมหายใจที่มากระทบให้ตั้งใจของเร า, เาไว้ในที่ตรงนั้นอาการอย่างนี้คืออาการที่จิตของเรามีสติไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ถ้าเรายังยังไม่สามารถรับรู้ถึงสัมผัสนี้ก็ลองหายใจแรงๆสัก 2- อถึงสครั้งหรือว่าจะใช้จุดที่เรารับรู้กลิ่นก็ได้จะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารหรือกลิ่นดอกไม้ในบริเวณนั้นแหละจะเป็นบริเวณที่ จะมีเนื้อเยื่ออะไรต่างๆที่ละเอียดอ่อนอยู่เนี่นจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจให้ใช้จุดนี้ก็ได้แตนะ่เมื่อเราที่เราตั้งสติเอาไว้แล้วเนะี่ยเราก็เป็นผู้ที่มีสตินะมีสตินั้นบางทีจิตเราอาจจะไปคิดเรื่องราวนั่นนี่นูน่ น, อ, นอันนี้ก็ธรรมดานะื่องจาะว่าจิตนั้นมันมีหน้าที่ในการรับรู้ไปรับรู้ปรุงแต่งตามอารมณ์ต่างๆนะให้เราตั้งสติเอาไว้อย่างเดิมนะื่องจาะว่าเวลาที่เรามารู้ ให้ใจของเรามารู้อยู่ที่นี่เนี่ยความคิดนึกมันก็จะมาดึงไปนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดนะที่จะมาดึงจิตของเราให้ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ถ้าเรามีสติอยู่ก็เหมือนกับการที่เราผูกจิตปลูกปลายเชื่ออีกข้างหนึ่งเอาไว้ในการเสราเขื่นเสาหลักซึ่งในที่นี้ก็คือลมหายใจของเราหนึ่งพระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดที่มีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันไว้ด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระ เ, เ, เ, เนน ข, ขะ้มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครัแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเกื่อน หรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งดังนั้นสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นที่มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยหรือที่เที่ยวของตนของตนงูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ํานกก็จะบินขึ้นไปในอากาศสุนัข ก, ก็จะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอก ก็จะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าในการใดที่ความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะบึงเข้าไปยืนเจ่านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดก็ฉะ น, นั้นเธอผู้ใดที่อบรม กระตามไม่มากในกายยากขจาสติคือการตั้งสติเอาไว้ภายในกายตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะไม่ฉุดดึงเอาเธอนั้นไปหาสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จะไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขอยะกแยงฉชนนั้นเหมือนกันคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้ เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายาคตาสติเปรียญนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนีจกใจไว้ว่ากายาคตาสติของเราทั้งหลายชจอเป็นสิ่งที่เราอบรมกระตามไม่มากกระทำให้เป็นดุดยานเครื่องนำไปกระตามให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียนเสริมสร้างปรารภสม่ำเสมอด้วยดี พวกเธอต่างหลายเพึงสำเนิกใจอย่างนี้ น, นี่คือพระสูตรที่ให้ใกล้ครวนเราตั้งสติเอาไว้ในกายเจริญพรสวรรค์ค่ะสาทุค่ะผู้ฟังที่เคารค่ะแัะนั่นก็เป็นการนำการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งอ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านพะบูลนค่ะถ้าจะหมายโดยรวมพระสูตดังกล่าวที่ท่านได้นาปฏิบัติธรรมไปให้เข้าใจใง่าย อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ่าก็คือใจของเราเนี่ยสมมติมใจของเราเนี่ยนะมันจะมีช่องทางออกอยู่นะซึ่งช่องทางออกในที่นี้ผู้เช้าก็เปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดนะมันจะมีที่เที่ยวที่หากินต่างกันแน่นอนตาเนี่ยมันจะไปดูอาหารแล้วมันจะรู้ว่ารสอาหารเป็นยังไงยังไงเนี่ยมันจะมันจะดูได้ยากนะเราจะรู้อยู่ว่าเผ็ดหวานอะไรต่างๆแต่ถ้าจะรู้ได้จริ ง, รงๆเนี่ยอ่ามันจะต้องใช้ลิ้นไปลิมดูเพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ย จะเป็นใหญ่ในเรื่องการรับรูร้รสอันนี้ชัดเจนแน่นอนหรือว่าแม้แต่เสียงแต่บางที่เราจับจับดูเอ้ยเสียงมันสั่นสะเทือนมีความสั่นสะเทือนมากเราอาจจะรู้แค่ว่าเสียงดังหรือเสียงค่อยแต่ถ้าจะรู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเขาพูดอะไรเป็นภาษาไทยหรือภาษาเกาหลีเนี่ยอันนี้คุณต้องใช้หูนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับนกเนี่ยมันจะไปอาจจะลงน้ําอยู่แต่มันไม่ลงน้ําเหมือนจระเข้หรอกจระเข้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเลยเพดัะนั้นมันอาจจะไปเยิงกันอยู่บ้างแต่ ใครหลัเป็นใหญ่ในที่นั้นนะังงูก็ต้องเข้าจอมปลวกเนะี่ยเป็นใหญ่อยู่ในนั้นนะสุนัข ก, ก็จะเข้าบ้านนกก็จะบินขึ้นฟ้าจร ะ, ะเข้ก็จะลงน้ําเป็นต้นอย่างนี้นะ น, นี่คือแยกให้เห็นว่ากายใจของเราเนี่ยมันมีช่องทางไปอยู่หกช่องทางนี้นะก็เอาโดยเอาสัตว์เนี่ยมาเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นเราฟังเสียงอยู่ฟังดนตรีฟังรายการธรรมะหรือว่าตาเห็นรูปดูทีวีเราเดินไปไหน เราไปกินอาหารพวกนี้จะอยู่ในผดสารทั้งหกทั้งสิน้นทุกวันเลยที่เราเจอแน่นอนนะ น, นี่คือขัอ้นตอนที่1แต่ทําความเข้าใจเรื่องของคําว่าอินทรียซะ ก, ก่อนจากนั้นถ้าผมว่าถ้าอินรีย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการรักษานั้นจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็คือเวลามีลายมากระทบนะทางหูถ้าเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะปริงเราชอบใจนั้นมันก็จะทําให้เกิดเราเกิดมีความลุ่มหลงกําหนิดมัวม่าเพลิดเพ ล, นเพลินขึ้น อันนี้ก็คือไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นเสียงเนี่ยมันลอดเข้ามาทางช่องหูนะแล้วมันก็จับจิตของเราดึงจิตของเราออกไปแมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปในทางที่ทําให้กําหนัดมันก็จะลากจิตของเราขึ้นเราคุณรู้สึกแหมมันดีมันเพลิเพนมันพอใจแบบนี้แต่ถ้าผมว่าสัมผัสนั้นเป็นสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเสียงด่าเสียงโก่นเสียงดังเสียงดนตรีที่เราไม่ชอบมันก็จะลากจิตของเราลง จิงเราจะรู้สึกหดหูไม่พอใจโกรธเครียดครัตเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะลากขึ้นลากลงอย่างนี้หลยนะคุณชมเตียวมันเป็นอย่างนี้นีน่คือคือทางห <c oughs> ูทางลิ้นก็เหมือนกันนะทางตาก็เหมือนกันเห็นภาพที่ไม่น่าพอใจเสียดแทงใจหรือรู้ข่าวที่ไม่ดีตาหูจมูก ล, ลิ้นกระจมันจะพุ่งเข้ามาหมดนะจิตของเราก็จะถูกลากถูรูถูกลังไปอย่างนั้นนี <c oughs> ่คือลักษณะนี้ซึ่งอาการที่จิตของเราลากถูกลากถูรูถูกลังไปเนี่ยก็คือความเครียดนั่นเองอ่ะ เป็นลักษณะเหมือนกับความฟุ้งซ่านําคัญใจนะถ้าจะพูดคือนิวรทั้ง5เนี่ยคือเครื่องกลางกัน5อย่างเนี่ยมันจะทำมันจะฟอร์มตัวออกมาเป็นลักษณะความเครียดที่เราเจอในที่ทํางานบ้างที่บ้านบ้างอันนี้ทุกคนคิดว่าเจอกันอยู่เนาะในเรื่องของความเครียดที่พูดถึงว่ามันเป็นการฟอร์มตัวของนิวรที่แปลว่าเครื่องกลางกันเนี่ยนะมีตั้งแต่มีตั้งแต่การที่คิดฟุ้งซ่านบ้าง การที่มีความกังวลมีความพยาบามบ้างนะหรือว่าการที่เรามีความอยากมีความลุ่มหลงพวกนี้มันจะค่อยทําให้ใจของเราเนี่ยอมันกัดกร่อนไปเรื่อยกัดกร่อนไปเรื่อยๆทําใจของเราเนี่ยให้มันลดกํำลังนะวิธีป้องกันทํำยังไง<ะ>นะก็คือว่าอย่างที่พระสวดนี้พูดถึงนะที่อาตมาอ่านให้ฟังเนี่ยคือเอาส่วนที่เป็นการป้องกันมาให้ฟังละแตนะว่าก็คือเปรียบเหมือนกับเจ้าสัตว์หกชนิดนี่แหละนะที่มันจะไปตามช่องทางใช่ไหม แทนที่จะ ying, ผูกแล้วให้มันดึงกันไปคือถ้าเราผูกปลายเชือกข้างหนึ่งไว้ด้วยกันสัตว์ไหนมีกําลังมากกว่าเนี่ยก็จะดึงสัตว์ตัวอื่นไปคือเอาปลายเชือกด้านหนึ่งผูกกับสัตว์เอาไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกรวมกับไม้เป็นปมถ้าตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็จะดึงไปใช่ไหมทีนี้วิธีแก้ก็คือว่าแทนที่จะเราเอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาผูกรวมกับไม้เป็นปมเราก็เอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งเนี่ยไปผูกไว้กับเสา เนะสาหนี้ต้องเป็นเสาที่มั่นคงนะเป็นเสาเกือนเสาหลักกนะ็จะพูดง่ายๆคือฝังไว้ในดินอย่างลึกฝนะังไว้อย่างดนะีมันดึงไปยังไงเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงไปได้เดีนะ๋ยวมันก็จะต้องเสียแรงโดยเปล่าประโยชนะ์ผู้ชอบเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อที่จะให้เราทราบถึงว่าเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยมันอาจจะไปรู้นั่นนี้โน้นก็ธรรมดาแต่ต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนะเสาเกื่อนเสาหลักนะโดที่นี้ก็คือสตินั่นเอง ให้สติเนี่ยการมีสติอยู่ในกายนะเป็นเหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลักที่จะตั้งเอาไว้อุปมาอุปไมตรตรงนี้แยบคายนะคุณโยมติว๋วเพราะว่าเวลาที่สัตว์มันดึงอยู่เช่นสุนัขที่จอกดึงเชือกอยู่เนี่ยเชือกเนี่ยตึงอยู่เสาเนี่ยได้รับแรงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ตรงนั้นอยู่อันนี้เปรียบเหมือนกับเวลาที่เรามาดูรู้ลมหายใจเนี่ยแล้วเรามีความคิดอยู่ในใจแต่เราก็รู้ลมหายใจอยู่ด้วยนะ เรา uh huh. จะคิดนั่นคิดนี่แต่เรารู้ลมหายใจอยู่นะไอ้ตรงนี้ก็คือเหมือนกับสัตว์มันดึงอยู่ไอ้ส่วนนักจิ้งจอเนี่ยดึงอยู่หรือลิงดึงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนนะปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมันยังอยู่กับลมหายใจคือคุณคิดไปด้วยคุณรู้ลมหายใจไปด้วยอันนี้มันเกิดขึ้นได้คุณคุณโยนติ่งใจนะตรงนี้นะ <Okay. S 1> ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าที่ในอุปมาอุปไมยเนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้แต่มันเกิดขึ้นได้คือเวลาที่เชือกขาดเชือกขาด แลนะคือมันดึงแรงมากเชื่อขาดพัวขึ้นเนี่ยลิงมันก็ไปตามทางกอบมันล่ะอันนั้นก็คือเวลาที่เราลืมลมหายใจแล้วแล้วนะคุณคิดจกนกระทั่งคิดปรุงแต่งไปโนนนี่นั่นลืมลมทีนี้อ้าวก็คือเชื่อขาดนั่นเองคือคือเราไม่มีที่ตั้งที่จิตที่จะตั้งละทีนี้มันไปตามแล้วถ้าความคิดนั้นมันดี ม, นดมันลิงโลดใจเราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นแะตถ้าความคิดนั้นมันไม่ดีใจเราก็จะตกตกตกตกเนะีเป็นอย่างอย่างแรกอย่างเดิมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอระลึกได้เมื่อไหร่ เนะลึกได้เไหร่ก็ผูกเชือกหม้ผูกเชือกไม้อีกทีนึ่งนะก็คือเหมือนกับเราระลึกได้เไหร่ปุ๊บเราก็มารู้ลงใหม่ใจนะความคิดนั้นอาจจะยังไม่ดับไปนะก็ยังอยู่ของมันแต่ ว, ว่าเราผูกเชือกเอาไว้ก่อนนะสเต็ปขั้นตอนตรงเนี้มีขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าไอเจ้าสัตว์ต่างๆทั้งหกช น, นิดเนี่ยมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเวลามันดึงเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราปลายเชือกยังผูกอยู่มันจะค่อยอ่อนแรงลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ดึงนะมันยังดึงอยู่ ก็เหมือนกันน่ะบางทีเรามีความคิดบางทีเราไปรู้เสียง <S <S บางทีเราเห็นภาพ <S <S แต่ใจหนึ่งคุณก็ยังรู้วมหายใจอยู่นะค่ะคุณร่วลมหายใจอยู่คุณอาจจะมีความคิดคุณร่วมหายใจอยู่คุ ณ, คาคคณคยอาจจะได้ยินเสียงแต่ยังน้อยมันยังผูกอยู่เนะีสิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนะสิ่งนั้นเนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะที่มันจะมาคอยดึงจิตของเราไปเนี่ยมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนีจนกระทั่งเหมือนกับเจ้าสัตว์6ชนิดนี่แหละนีอ่อนแรงลงจนกระทั่งมันหมดแรง มันก็จะมายืนจ่าวนั่งจ่าวนอนจ่าวมันก็จะไม่ดึงอีกต่อไปแล้วก็เปรียบเสมือนใจของเราที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นภาพไม่ได้มีความคิดนึกในใจเรู้อยู่แน่วแน่นนิ่งอยู่อันเดียวนี่คือสเต็ปที่จะเป็นสเต็ปที่3ที่ถัดไปนะคะก็คงทําให้เข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าบางทีอาจจะสงสัยว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พระอาจารย์ให้รู้ลมหายใจเราก็ายังไปรู้อย่างอื่นอยู่นั่นแหละอนี่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติแล้ว ใช่เพียงแต่ต้องฝึกต้องฝนต้องทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ใช่แต่เวลาที่มันจะอ่อนแรงลงไปเนี่ยมันก็ค่อยๆ อ, อ่อนแรงค่อยๆ อ, อ่อนแรงแต่มันก็อาจจะคิดว่าไอ้ทำํำไมฉันมันยังมีความคิดอยู่คิดฟุ้งซ่านเลยแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็ได้รู้หลมหายใจอยู่เหมือนกันนะคือในขณะที่เราคิดนึกนั่นนี่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลืมลมร้อยเปอร์เราก็ยังมีลมหายใจอยู่อันนั้นถูกแล้วต้องยืนยันว่าถูกแล้วเพราะอะไร เพราะสิ่งนั้นมันกําลังจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนะเหมือนกับสัตว์ที่มันกําลังดึงอยู่ไม่ใช่ว่าเสาจะไม่ได้รับแรงดึงไม่ใช่ว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจเราจะไม่ได้คิดมันไม่ใช่แต่ทําไปทําไปเนี่ยไอความคิดนึงมันก็จะค่อยเบาลงเบาลงไอเสียงที่จะได้ยินมันจะเป็นการรบกวนมันจะค่อยน้อยลงน้อยลงนะถ้าทําถูกกันนะถ้าทําถูกค่ะค่ะเดี๋ยวฉันอาจจะพาท่านวนกลับมานิดหนึ่งนะคะอ เผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าทําแล้วได้อะไรเหรอคะสิ่งที่เราจะได้คือสตินะสติของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ได้เราก็ยม่มตื่นร้องพิจารณาดูอย่างอุปมาบุปไมเนี้ยชัดเจนมากพุทธเจ้าแยบกายมานะถ้าสมมติเราผูกเชือกไว้อยู่แล้วปรกวากฏว่ามันดึงดึงดึงจนเชือกหลุดจากเชือกหลุดปุ๊บมันก็จับสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็หนีไปอย่เช่นเดียวกันถ้าสมมติ เร า, ามาฝึกรู้รอหายใจแต่มันดึงไปดึงไปจนกระทั่งเราลืมรอหายใจสิ่งที่เราจะไม่ได้คือสตินะสติเราจะตั้งขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราทําได้นะสิ่งที่จะตั้งขึ้นได้เนี่ยคือสตินะพอมีสติแล้วเป็นยังไงไอ้นี่แหละคืออริยามรรคแปดนะหนึ่งในอริยามรรคแปดต้องทําให้มากๆแต่ไม่เจริญมี <Okay. S 1> สติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนี้เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้พะเ้าตรัสไปอย่างงี้นะคะ อริมักมีองค์แปดก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งทุกข์ใช่แล้วก็ในส่วนของการมีสติเนี่ยเป็นสัมมาสัมาสติสตนะคะการระลึกชอบซึ่งจะเป็นบาทฐานแห่งการที่จะนำไปสู่การที่มีสมาธิชอบอความตั้งใจมั่นชอบใช่กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการเดียวกันกับไม่ว่าใครก็ตามที่จะได้สมาธินะ สมมุติว่าถ้าถ้าฟังหรือว่าคุณโยมติ๋วเนี่ยเคยมีสปาบาที่จิตชั้นมันนิ่งอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยสงบลงไปเนี่ยเอาขอแค่ไม่ต้องมาก5นาทีหรือสามนาทีก็พอในช่วงสามนาทีห้นาทีที่คุณได้ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าตาหูจมูกนิ้นกายใจของคุณธรรมารมมาเรต่างๆเนี่ยรูปเสียงพวกนี้ไม่มาดึงจิตของคุณแต่นะคือมันอ่อนแรงแล้วมันสงบอยู่ใช่ไหมจิตของเราเนี่ยจึงมีสติตั้งอยู่สติตั้งอยู่ยปุ๊บสมาธิก็เกิดเดียวนั้นทันที นีมันเกิดขึ้นได้เพราะสติที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นเองไม่มีอะไรมากวนใจมันเน่เป็นอย่างนี้ซึ่งทุกคนถ้ามีประสบการณ์นี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ว่ามานี้นั่นเองนะคะค่ะและนี่เป็นบุญใหญ่ไหมคะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นการภาวนานะเป็นเหมือนการพัฒนาจิตให้จิตเรามีสัมมาถสตินะีซึ่งเป็นบุญที่มากยิ่งกว่าการรักษาศีลเป็นบุญที่มากยิ่งกว่าการให้ทานด้วย นะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทานก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมคะศีลก็ไม่ต้องรักษาอไม่ใช่อย่างนั้นแต่แต่ว่าการทําตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมถึงบอกว่ามีมีอ น, นิสงส์มากกว่าได้บุญมากกว่าเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อการที่จะทําให้เราตรัสรู้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานค่ ะ, ะแล้วถ้าจะคิดตามไปนะคะในขณะที่เรากําลัง พยายามที่จะเจริญสติใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นการเจริญสติถูก ต, ต้องไหมคะ เ, เราในขณะนั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นนี่ถ้าทำในสิ่งที่ดีงามก็คือพยายามที่จะไม่ไปคิดอะไรเลยรู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่กับลมหายใจการกระทําของเราขณะนั้นน่าจะเป็นการกระทําที่พร้อมในเรื่องของสีอยู่ด้วยนะคะใช่ใช่แล้วก็ทําให้จิตนั้นเนี่ยอสติแบบเนี้ยเป็นการพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมเป็นสติที่เรียกว่า พร้อมทําให้จิตพร้อมแก่การตรัสรูธ้ธรรมค่ะและในเมื่อเหมือนกับเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่ในขณะเดียวกันการรักษาศีลที่ฉันเคยได้ยินว่าเป็นทานที่ใหญ่ด้วยจริงหรือเปล่าคะใช่เป็นมหาทานแต่พระเจ้าถึงพูดถึงศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นมหาทานนะเป็นทานที่เป็นกุศลเป็นทอดทานแห่งบุญว่ายอย่างนั้นค่ ะ, ะประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกายคตาสติ นะั่นคือการที่เราตั้งสติอยู่ในกายในอย่างกรณีของเราที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่บางทีเราอาจจะพูดถึงการที่เรามารู้ถึงกระดูกก็ได้ในะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นผมกลเนื้อฟันหนางพวกนี้นั่นก็ชื่อว่าเป็นกายคยากขสติแบบหนึ่งแนะนอกจากการรู้ลมหายใจแล้วเราอาจจะมารู้ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อาจจะมารู้ในความรู้สึกในกายอันนี้ก็ได้แตนะ่ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติหลายๆอย่างที่จะใช้เทคนิคพวกนี้เหมือนกันนะ ค่ะถ้าอย่างไรเนี่ยท่านอยากจะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติอื่นนอกจากลมหายใจในวันนี้ไหมคะหรือว่าท่านยังมีประเด็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้พูดไปแล้วอีกหรือท่านจะยกยอดคําถามนั้นไปถามในวันอื่นคะ่ะอามาต้องการจะพูดถึงประเด็นใ น, ในเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องทําให้มากๆระพุทเจ้าพูดถึงสรุปในท้ายพระสูตรตรงนี้บอกว่าต้องทําให้มากนะทําให้เป็นดุจยานเครื่องนําไป นยานเครื่องนำไปเนี่ยเหมือนรถยนต์นะ่ะคุณโยมติวถึกว่ารถยนต์จะสตาร์ตติดเนี่ยมันมีกระบวนการหลายอย่างระบบเบรกระบบท่อนําอาสีของเสียระบบคลัชระบบอะไรกว่ามันจะไปได้คือทําให้ชำนานนั่นเองทำอย่างต่อนเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอนะผู้รู้จับอกว่าทําให้เป็นของที่อาศัยได้นะเป็นของที่อาศัยได้เหมือนบ้านเนี่ยถ้าใครเคยสร้างบ้านเนี่ยโอ้หรายละเอียดเยอะมากนะกว่ามันจะอยู่ได้หลังคาต้องเข้าอย่างนี้ร่องน้ําต้องทําอย่างนี้ระบบของเสียระบบระ บ, ราบายอากาศต่างๆ มันเป็นของที่ละเอียดมากาาต้องทำอยู่อย่างให้เป็นที่อาศัยได้ทําทเสมอๆทําอย่างรอบคอบทําอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยมันถึงจะทำได้ไอล้ลาพังที่เราฝึกปฏิบัติแค่20นาทีในระหว่างการฟังธรรมเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วแล้วก็ทำต่อเนื่องอยู่ต่อไปทั้งวั น, นมันจะเป็นของที่เราอาศัยได้ใช้งานได้ตั้งได้ขึ้นนั่นเองค่ะคนะคนท่านก็ได้ประเด็นที่สาคัญที่สุดแล้ว สําหรับวันนี้ที่ท่านไผ่บุญพยายามที่จะบอกคือหมายกับว่าเรารู้ล่ะว่าการทําสมาธิเนี่ยน่าจะดีและในรายการนี้ก็เพียงแต่ว่าวันนี้หมายความว่านอกเหนือจากที่ฝึกฝนการทําไปพร้อมๆกันในรายการนี้แล้วควรที่จะทําให้สม่ําเสมอใช่ใชนะคะเพื่อที่จะเหมือนยานเป็นเครื่องนําไปเป็นที่พึ่งที่อาศัยจะพาเราไปพ้นทุกได้ใช่ผ่านใช่ผ่านทุกต้อง ท่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะเราก็ได้ให้ในสิ่งที่ควรที่จะให้ท่านทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสในเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรแล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปให้กำลังใจในะครให้ท่านมีความเพียรที่จะกระทำกันคะ่ะสำหรับตอนนี้เราก็คงจะต้องกราบมโสถ ก, การขอบพระคุณท่านเพริยวนะคะที่ได้เมตตาใช้เวลา ที่ท่านมีอยู่มาสอนกับพวกเราเป็นประจำ ท, ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะกราบนักสการ์ขอบพระคุณค่ะเชิญานท่านฟังที่เคารพค่ะเช้าตรู่กับรายการสัรสนิมสนทนานะคะในแต่ละวันนั้นเราได้ความรู้อย่างอื่นก็ไปเยอะแล้วทั้งวันเราคิดอะไรกันไม่รู้เราทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะแต่การกระทาที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะของพระาศาสดานั้นเป็นการที่ เรามาฝึกเรามาพัฒนาตัวของเราเองโดยเฉพาะทางเรื่องของจิตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเป็นเราค่ะมันต้องควบคู่กันไปนะคะทั้งการที่จะพัฒนาทางกายแล้วก็พัฒนาทางจิตในวันพรุ่งนี้จริงๆเนก็อยากจะถามท่านอาจารย์ เ, เกี่ยวกับเรื่องว่าพัฒนาทางกายกับพัฒนาทางจิตเนี่ยต่างกันอย่างไรเดี๋ยว เอาไว้ยกยอดไปวันพรุ่งนี้ดูว่าเหมาะก่อนกันแล้วกันนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของท่านฟังที่เคารพทั้งหลายดิฉันสันสิน้านพงรายการสันสินีสนทนาเชิญท่านมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ